2. ครุฑที่เป็นชลาพุชะเกิดในคัน 3. ครุฑที่เป็นสังเสทชะเกิดในเท่าคลายหรือที่ชื้นแฉะ 4. ครุฑที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑสีประเภทนี้สุทธิกะสูรที่หนึ่งจบ สอารันติสูตรว่าด้วยครุดฉุดนาค393เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกําเนิดของครุดสีประเภทนี้กําเนิดของครุดสี่ประเภทอะไรบ้างคือหนึ่งครุดที่เป็นอันทชชะสครุดที่เป็นชลาพุชชะสา ครุฑที่เป็นสังเสทชะสี่ครุฑที่เป็นโอปปาติกะภิกษุ์ทั้งหลายกำเนิดของครุฑสีประเภทนี้ในครุฑสี่จำพวกนั้นครุฑที่เป็นอันทชะานำนาคที่เป็นอันทชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นชลาพุชชะสังเสทชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นชลาพุชชะ นำนาคที่เป็นอันทัชชะและชลาพุชชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นสังเสริชชะและโอปปาติกะไปไม่ได้ครุฑที่เป็นสังเสริชชะนำนาคที่เป็นอันทัชชะชลาพุชชะและสังเสริชชะไปได้แต่นำนาคที่เป็นโอปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นโอปปาติกะนำนาคที่เป็นอันทัชชะชลาพุชชะ สังเสริัชาและโอปปาติกะไปได้ภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุตสีประเภทนี้หารันติสูตรที่สองจบสามทวยะการีสูตรว่าด้วยผู้มีปกติกระทำกรรมทั้งสองสามร้อยเก้าสิบสี่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 ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่ว cool มกับพวกครุฑ ท, ที่เป็นอันทชะหลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับครุฑ ท, ที่เป็นอันทชะภิกษุนิแลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับครุฑที่เป็นอันทชะทวยะการีสูตรที่สามจบ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 อะไรหนาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุดที่เป็นชลาพุชชะพวกครุดที่เป็นสังเสรชะจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับครุดที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่าพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากจึงมีความปรารถนาว่าฉชไหนหนอหลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นโอปปาติกะหลังจากตายแล้ว จึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุตที่เป็นโอปปาติกะภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุตที่เป็นโอปปาติกะทุติยาทิทัททวยการีสุตตันติกะที่สถึง6จบ เจ็ดถึงสิบอันทัชทานูปการะสุตตะสกะว่าด้วยความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกคลุดที่เป็นอันทัชะสิบสูตร398ถึงส0 7เจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 หลังจากตายแล้วขอเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับครุฑที่เป็นอันทชะจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ดอกไม้ให้ของหอมให้เครื่องลูปไลให้ที่นอนให้ที่พักให้เครื่องประทีบหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะภิกษุ นี่แลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุฑที่เป็นอันทชะอันทนัชธาโนปการะสุตตะทะสกะที่เจถึง16จบ17ถึง46ชะลาผู้ชธาโนปการะสูตร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 จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุธที่เป็นชลาผู้ชา้าพวกครุธที่เป็นสังเสทชา้าจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกครุธที่เป็นโอปปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติกระทากรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้ฟังมาว่า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 จบด้วยการรวบรวมอย่างนี้จึงมีพระสูตร46สูตรสุปันนสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต t นี้คือ 1. สุทธิกะสูตร 2. คารันติกสูตร 3. ทวยะการีสูตร 4. ถึง6ทุติยาทิทวยะการีสตรุตันติกะ 7. ถึง16 อันทัชาธาโนปการสุตตะทัสกะ 17-46 ถึงชาลาพุทธชาโนปการสุตร